ถ้าไม่เป็นการรบกวนอัตมาขอบินทบาทน้ำจากท่านดื่มพอแก้กระหายด้วยเถิดนางทาสีได้ยินเสียงอสุภาพอ่อนโยนจึงเงยหน้าขึ้นดูนางตะลึงอยู่คู่หนึ่งแล้วถอยออกห่างท่านสองสาก้าพรางกล่าวว่าพระคุณเจ้าข้าพเจ้าถวายน้ำแก่ท่านมิได้ดอกท่านม่ควรดื่มน้ำจากมืออันต่ำช้าของข้าพเจ้า ท่านเป็นวนัณกษัตข้าพเจ้าเป็นเพียงนางทาสีอย่าคิดอย่างนั้นเลยน้องหญิงอัตมาไม่มีวัณณะแล้วอัตมาเป็นสมณะสากยบุตรอัตมามิได้เป็นกษัตริย์พราหมณ์ไวยสยะสูตรหรือจันทานแต่อย่างใดอย่างหนึ่งเลยอัตมาเป็นมนุษย์เหมือนน้องหญิงนี่แหละ ข้าพเจ้าเกรงแต่จะเป็นมุนทินแก่พระคุณเจ้าและเป็นบาปแก่ข้าพเจ้าที่ถวายน้ําการที่ท่านจะรับของจากมือของคนต่างวันณะและโดยเฉพาะวันณะที่ต่ําอย่างข้าพเจ้าด้วยแล้วข้าพเจ้าไม่สบายใจเลยความจริงข้าพเจ้ามิได้หวงน้ําดอกนางยังคงยืนกลางอยู่อย่างเดิมขณะพูดมีเสียงสั่นน้อยๆอยน้องหญิง มุนทินและบาปจะมีแก่ผู้มีเมตตากรุณาไม่ได้มุนทินย่อมมีแก่ผู้ประกอบกรรมชั่วบาปย่อมมีแก่ผู้ไม่สุจริตการที่อาตมาขอน้ำและน้องหญิงจะให้น้ำนั้นเป็นธรรมธรรมย่อมปลดปลื้องบาปและมุนทินเหมือนน้ำสะอาดชำระสิ่งสกปรกฉะนั้นน้องหญิงบัญญัติของพรามณ์เรื่องบาปและมนทิน อันเกี่ยวกับวันนั้นเป็นบัญญัติที่ไม่ยุติธรรมเป็นการแบ่งแยกมนุษย์ให้เหินห่างจากมนุษย์เป็นการเยียดหยามมนุษย์ด้วยกันเรื่องนี้อาตมาไม่มีแล้วอาตมาเป็นสมณะสากยบุยสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่มีวันณนะเพราะฉะนั้นถ้าน้องหญิงต้องการจะให้น้ำก็จงเทลงในบาทนี้เถิด นางรู้สึกจับใจในคําพูดของพระอานนท์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของนางที่ได้ยินคําอันระเื่อหูจากชนซึ่งสมมุติเรียกกันว่าชั้นสูงมืออันเรียวงามสั่นน้อยๆของนางค่อยๆประจงเทน้ําในหม้อลงในบาทของท่านอานนท์ในขณะนั้นนางนั่งคุกเขา่าพระอนนท์ยืนโน้มตัวลงรับน้ําจากนาง แล้วดื่มด้วยความกระหายนางช้อนสายตาขึ้นมองดูพระอ น, นุ์ซึ่งกำลังดื่มน้ำด้วยความรู้สึกปิติซาบซ่านแล้วยิ้มอย่างเอียงอายขอให้มีความสุขเถิดน้องหญิงเสียงอันไพเราะจากพระอนตน์หน้าของท่านยิ่งแจ่มใสขึ้นเมื่อได้ดื่มน้ำระงับความกระหายแล้วพระคุณเจ้าดื่มอีกหน่อยเถิด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 น้องหญิงเคยได้ยินชื่อพระอานนุ์อนุชาของพระพุทธเจ้าหรือไม่เคยได้ยินพระคุนเจ้าเคยเห็นท่านไหมไม่เคยเลยพระขุนเจ้าเพราะข้าพเจ้าทางานอยู่เฉพาะในบ้านและมาตักน้ำที่นี่ไม่มีโอกาสไปที่ใดเลยเวลานี้น้องหญิงกำลังสนทนากับพระอานนุ์อยู่แล้วนางมีอาการตะลึงอยู่ครู่หนึ่ง แล้วแววหิงปิติค่อยๆฉายออกมาทางดวงหน้าและแววตาพระคุณเจ้านางพูดด้วยเสียงสั่นน้อยๆเป็นมงคลแก่สดและดวงตาของข้าพเจ้ายิ่งหนักที่ได้ฟังเสียงของท่านและได้เห็นท่านผู้มีศีลผู้มีเกียรติสับระบือไปไกลข้าพเจ้าเพิ่งได้เห็นและได้สนทนากับท่านโดยไม่รู้มาก่อน นับเป็นบุญอันประเสริฐของข้าพเจ้ายิ่งแล้ว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 และเดินมาเรื่อยๆจนจวนจะถึงซุ้มประตูไม่มีทางแยกไปที่อื่นอีกแล้วนอกจากทางเข้าสู่วัดท่านเหลียวมาเห็นนางทาสีเดินตามมาอย่างกระชั้นชิดในตา ก, ก็จ้องมองดูท่านตลอดเวลาท่านหยุดอยู่ครู่หนึ่งพอนางเข้ามาใกล้ท่านจึงกล่าวว่าน้องหญิงเธอจะไปไหน จะเข้าไปในวัดเชตวันนี่แหละนางตอบเธอจะเข้าไปทำไมไปหาพระคุณเจ้าสนทนากับพระคุณเจ้าอย่าเลยน้องหญิงเธอไม่ควรจะเข้าไปที่นี่เป็นที่อาศัยอยู่ของพระสงฆ์เธอไม่มีทุระอะไรอย่าเข้าไปเลยเธอกลับบ้านเสียเถิดข้าพเจ้าไม่กลับข้าพเจ้ารักท่าน ข้าพเจ้าไม่เคยพบใครดีเท่าพระคุณเจ้าเลยน้องหญิงพระศาสดาตรัสว่าปกติของคนเราอาจจะรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันและต้องอยู่ร่วมกันนานๆต้องมีโยนิโสมนสิการและต้องมีปัญญาจึงจะรู้ว่าคนนั้นคนนี้มีปกติอย่างไรคือดีหรือไม่ดีที่น้องหญิงพบเราเพียงครู่เดียว จะตัดสินได้อย่างไรว่าอาตมาเป็นคนดีอาตมาอาจจะเอาชื่อท่านอานนนมาหลอกเธอก็ได้อย่าเข้ามาเลยกลับเสียเถิด พระคุณเจ้าจะเป็นใครก็ช่างเถิดนางคงพร่มต่อไปมือหนึ่งถือหม้อน้ำซึ่งบัดนี้นางได้เทน้ำออกหมดแล้วข้าพเจ้ารักท่านซึ่งข้าพเจ้าสนทนาอยู่ด้วยเวลานี้น้องหญิงความรักเป็นเรื่องร้ายไมิใช่เป็นเรื่องดีพระาศาสดาตรัสว่าความรักเป็นเหตุให้เกิดทุกโศกและทรมานใจเธอชอบความทุกข์หรือ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 นั่นเป็นเพราะการพัดพลากจากสิ่งอันเป็นที่รักต่างหากเล่าวิช่เพราะความรักถ้าไม่มีความรักการพัดพลากจากสิ่งอันเป็นที่รักจะมีได้หรือไม่มีไม่ได้เลยพระคุณเจ้านี่แปลว่าน้องหญิงยอมรับแล้วใช่ไหมว่าความรักเป็นสาเหตุชั้นที่หนึ่งที่จะให้เกิดความทุกข์พระอ น, นุ์พูดจบ แล้วยิ้มน้อยๆด้วยรู้สึกว่ามีชัย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 เพียงไม่ถึงกึ่งเท่านั้นด้วยเหตุนี้แม้นางจะมองเห็นเหตุผลของพระอนนท์ว่าคมคายอยู่แต่นางก็หายอมไม่นางกล่าวต่อไปว่า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 และคงจะเป็นครั้งสุดท้ายอีกด้วยเมื่อไม่เคยมาเลยทำไมเธอจึงจะรักให้เป็นโดยไม่ต้องเป็นทุกเล่าน้องหญิงคนที่จับไฟนั้นจะจับเป็นหรือจับไม่เป็นจะรู้หรือไม่รู้ถ้าลงได้จับไฟด้วยมือแล้วย่อมร้อนเหมือนกันใช่ไหมใช่พระคุณเจ้าความรักก็เหมือนการจับไฟนั่นแหละ ท้งที่จะไม่ให้มือพองเพราะไฟเผามีอยู่ทางเดียวคืออย่าจับไฟอย่าเล่นกับไฟทางที่จะปลอดภัยจากรักก็ฉันนั้นมีอยู่ทางเดียวคืออย่ารักพระคุณเจ้าจะว่าอย่างไรก็ตามเถิดแต่ข้าพเจ้าหักรักจากพระคุณเจ้ามิได้เสียแล้วแม้พระคุณเจ้าจะไม่ปราณีข้าพเจ้าเยี่ยงคนรัก ก็ขอให้พระกุณเจ้ารับข้าพเจ้าไว้ในฐานะผู้ซื่อสัตย์ข้าพเจ้าจากปฏิบัติพระกุณเจ้าบำรุงพระคุณเจ้าเพื่อความสุขของท่านและของข้าพเจ้าด้วยน้งองหญิงประโยชน์อะไรที่เธอจะมารักคนอย่างอาตมาอาตมารักพระศาสดาและพรมจันท์หมดหัวใจเสียแล้วไม่มีหัวใจไว้รักอะไรได้อีก แม้เธอจะขอสมัครอยู่ในฐานะเป็นทาสก็ไม่ได้พระศาสดาทรงห้ามมิให้ภิกษุในพระศาสนามีทาสไว้ใช้ยิ่งเธอเป็นทาสหญิงด้วยแล้วยิ่งเป็นการผิดมากขึ้นแม้จะเป็นสิทธิคอยปฏิบัติก็ไม่ควรจะเป็นที่ตำหนิของวินยูชนเป็นทางแห่งความเสื่อมเสียอาตมาเห็นใจน้องหญิง แต่จะรับไว้ในฐานะใดฐานะหนึ่งไม่ได้ทั้งนั้นกลับเสียเถิดน้องหญิงพระาศาสดาหรือภิกษุสามเณรเห็นเข้าจะตำหนิอตมาได้นี่ก็จวนจะถึงพระคันทกุดีแล้วอย่าเข้ามานะพระอานน์ยกมือขึ้นห้ามในขณะที่นางทาสีจะก้าวตามท่านเข้าไป พระผู้มีพระภาคทรงสดับเสียงเถียงกันระหว่างพระอานนุ์กับสตรีจึงตรัสถามมาจากภายในพระคันธกุฎีว่าอะไรกันอานนุนผู้หญิงพระเจ้าค้าเธอจะตามข้าพระองค์เข้ามายัางวิหารให้เธอเข้ามาเถอะพามาหี้มหาตถาคตพระศาสดาตรัส พระอานน์พานางทาสีเข้าเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคมีพระวาจาว่าอานน์เรื่องราวเป็นมาอย่างไรทำไมเขาจึงตามเธอมาถึงนี่เมื่อพระอานน์ทูลให้ทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าพระทินี เธอรักใคร่พอใจในอา น, นุ์หรือพระเจ้าข่านางทาสียกมือแค่อกรับตามเป็นจริงเธอรักอะไรในอานนุ์ข้าพพุทธเจ้ารักในตาพระอ น, นุ์พระเจ้าข่าในตานั้นประกอบขึ้นด้วยเส้นประสาทและเนื้ออ่อนต้องมันเช็ดสิ่งสกปรกในดวงตาอยู่เป็นนิด มีขี้ตาไหลออกจากในตาอยู่เสมอคร้งแก่ลงก็จักฝ้าฟางคุณมัวไม่แจ่มใสอย่างนี้เธอยังรักในตาของอานุนอยู่หรือถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์รักหูของพระอนุนพระเจ้าข่าภคินีหูนั้นประกอบด้วยเส้นเอ็นและเนื้อภายในช่องหูมีของโศโครเป็นอันมากมีกลิ่นเหม็น ต้องแคคคขยอยู่เสมอครันชลาลงก้นนวกจะฟังเสียงอะไรก็ไม่ถนัดหรืออาจไม่ได้ยินเลยดังนี้แล้วเธอจะยังรักอยู่หรือนางเอียงอายเล็กน้อยแล้วตอบเลี่ยงต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์รักจมูกอันโดงงามของพระอานนท์พระเจ้าข่าพระคินีจมูกประกอบขึ้นด้วยกระดูกอ่อนที่มีโพรง ภายในมีน้ำมูกและเส้นขนกับของโศโครกมีกลิ่นเหม็นๆ เ, เป็นก้อนๆ อ, อย่างนี้เธอยังจะรักอยู่อีกหรือไม่ว่านางจะตอบเลี่ยงไปอย่างไรพระพุทธองค์ก็ทรงชี้แจงให้พิจารณาเห็นความเป็นจริงของร่างกายอันสกปรกเปื่อยเน่านี้ในที่สุดนางก็นั่งก้มหน้านิ่งพระพุทธองค์ตรัสว่า ผักชีนีเอ๋ยอันร่างกายนี้สะสมไว้แต่ของสกปรกโสโครกมีสิ่งปฏิกูลไหลออกจากทวาวรทั้งสี่มีช่องหูช่องจมูกเป็นต้นเป็นที่อาศัยแห่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นป่าช้าแห่งซากสัตว์นานาชนิดเป็นรังแห่งโรคเป็นที่เก็บมูดและกลีกก่นอุปมาเหมือนถุงหนังซึ่งบรรจุเอาสิ่งโสโครกต่างๆเข้าไว้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 มีสิ่งปฏิกูลพึงรังเกียจแม้พระาศาสดาตรัสอยู่อย่างนี้ความรักของเธอที่มีต่อพระอานนท์ก็หาลดลงไม่ แม้บังคราวแสงสว่างฉายวูบเข้ามาสู่หะไทยของนางจนทำให้นางมองเห็นความเป็นจริงตามพระศาสดาตรัสก็ตามแต่มันก็มีน้อยเกินไปไม่สามารถจะข่มความสเสน่หาที่เธอมีต่อพระอานนท์เสียได้เหมือนน้ำน้อยไม่พอที่จะดับไฟโดยสิ้นเชิงไฟคือราคะในจิตใจของนางก็ฉันนั้น คุกลุนอยู่ตลอดเวลานางคิดว่าจะทำเชไหนหนอจักสามารถอยู่ใกล้พระอา น, นุลได้เมื่อไม่ทราบจะทำประการใดจึงทูลลาพระาศาสดาและพระอา น, นุลกลับบ้านก่อนกลับนางไม่ลืมที่จะชมเลืองมองพระอา น, นุลด้วยความสเสน่หา เนื่องจากมาเสียเวลาในวัดเชตุวันเสียนานนางจึงกลับไปถึงบ้านอาจวนคำ่ำนางรู้สึกตระคั้นตะครอทั้งกายและใจเกรงว่าระหว่างที่นางหายไปนานนั้นนายอาจจะเรียกใช้เมื่อไม่พบนางคงถูกลงโทษอย่างหนะักอย่างที่เคยถูกมาแล้วอนิจจาชีวิตขอนคนทาตช่างไม่มีอิสระและความสุขเสียเลย เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งปรากฏว่าตลอดเวลาที่นางหายไปนั้นนายมิได้เรียกใช้เลยผิดจากวันก่อนๆ น, นี่เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากพุท ธ, ธานุภาพโอ้พุท ธ, ธานุภาพช่างน่าอัศจรรย์อะไรเช่นนั้นคืนนั้นนางนอนกระบนกระวายอยู่ตลอดคืนจะข่มตาให้หลับสักเท่าใดก็หาสำเร็จไม่ พอเคลิ้มนางต้องผวาตื่นขึ้นด้วยภาพแห่งพระอานน์ปรากฏทางพระสาทที่หหรือมโนทวานนางนอนภาวนาชื่อของพระอานน์เหมือนนามเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์พระพุทธคุณก็คอยไหลวนเวียนเข้ามาสู่ความสำนึกอันลึกซึง้งนางคิดว่าภายใต้พุทธฉายาน่าจะมีความสงบเย็น และบริสุทธิ์หน้าพึงใจเป็นแน่แท้แต่จะทำอย่างไรหนอจึงจะประสบความสงบเย็นเช่นนั้น เสียงไก่โหอยู่ไม่นานท้องฟ้าก็เริ่มสางลมเย็นตอนรุ่งอรุณพัดแผ่วเข้ามาทางช่องหน้าต่างนางสลัดผ้าห่มออกจากกาย ลุกขึ้นเพื่อเตรียมอาหารไว้สำหรับนายนางภาวนาอยู่ในใจว่าเช้านี้ขอให้พระอานนทบิทบาทผ่านมาทางนี้เถิดแสงแดดในเวลาเชา้าให้ความชุ่มชื่นพอสบายนางเสร็จจากธุระอย่างอื่นแล้วออกมายืนเมออยู่หน้าบ้านมองไปเบื้องหน้าเห็นภิกษุณีรูปหนึ่งมีบาดในมือ เดินผ่านบ้านของนางไปทันใดนั้นความคิดก็แวบเข้ามาทำให้นางดีใจจนเนื้อเต้นพิษณีโอ้พิษณีเราบวชเป็นพิษณีสิจะได้อยู่ในบริเวณวัดเชตุวันกับพิษณีทั้งหลายและคงมีโอกาสได้อยู่ใกล้และพบเห็นพระคุณเจ้าอันเป็นเท่รักของเราเป็นแน่แท้นางลานายไปเฝ้าพระศาสดา และทูลขอบัระชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาพระาศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยแห่งนางแล้วประธานอนุญาตให้อุปสมบทอยู่ณนะสำนักแห่งพิษุณีในวัดเชตวันนั่นเองเมื่อบวชแล้วพิษุณีรูปใหม่ก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนท่องบนพระธรรมวินัยตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยดีสำรวมอยู่ในศิกขาบทปาติมโมก มีสิกขาและอาชีพเสมอด้วยภิกษุณีทั้งหลายเป็นที่รักใกล้ชอบพอของภิกษุณีอื่นๆทั้นทงนี้เพราะนางเป็นผู้สงีียมเจียมตนและพอใจในวิเวกอีกด้วยถึงกระนั้นก็ตามทุกเวลาบ่ายเมื่อนางได้เห็นพระอานนท์ขณะให้โอวาสแก่ภิกษุณีบริษัทความรัญจวนใจก็ยังเกิดขึ้นรบกวนนางอยู่มิเว้นวาย จะพยายามข่มด้วยอสุภกรรมฐานสักเท่าใดก็หาสงบราบคาบอย่างพิษุนีอื่นๆไม่คราวนี้นางได้ฟังโอวาจากพระาศาสดาเรื่องกิเลสสามประการคือราคะโทสะและโมหะพระพุทธองค์ตรัสว่ากิเลสทั้งสามประการนี้ย่อมเผาบุคคลผู้ยอมอยู่ใต้อำนาจของมันให้รุ่มร้อนกระบ่นกระวายเหมือนไฟเผา ไม่ท่อนไม้และแกลบให้แห้งเกลียมข้อแตกต่างแห่งกิเลสทั้งสประการนี้ก็คือราคะนั้นมีโทษน้อยแต่คลายช้าโทสะมีโทษมากแต่คลายเร็วโมหะมีโทษมากด้วยคลายช้าด้วยบุคคลซึ่งออกบวชแล้วประพฤติตนเป็นผู้ไม่มีเรือนเรียกว่าได้ชักกายออกห่างจากกามราคะ แต่ถ้าใจยังหมกมุ่นผัวพันอยู่ในกามก็หาสำเร็จประโยชน์แห่งการบวชไม่คือเขาไม่สามารถจะทำที่สุดแห่งทุกได้โดยชอบได้อุปมาเหมือนไม้สดชุ่มอยู่ด้วยยางแม้จะวางอยู่บนบกบุคคลต้องการไฟก็ไม่อาจนำมาสีให้เกิดไฟได้เพราะฉะนั้นภิกษุภิกษุณีผู้ชักกายออกจากกามแล้ว ควรพยายามชักใจออกจากการความเพลิดเพลินหลงไหลเสียด้วยนางได้ฟังพระพุทธภาษิสนี้แล้วให้รู้สึกละอายใจตนเองสุดประมาณที่นางเข้ามาบวชก็มิได้มุ่งหมายเพื่อกำจัดทุกข์ให้สูญสิน้นหรือเพื่อทำลายกองตัณหาอะไรเลยแต่เพื่อให้มาอยู่ใกล้คนอันเป็นเทวรัก คิดดูแล้วเหมือนนำน้ำมันมาวางไว้ใกล้เพลิงมันมีแต่จะลุกเป็นไฟกองมือมาขึ้นสักวันหนึ่ง เมื่อปารบดังนี้นางยิ่งกระวนกระวายใจมากขึ้นพระอานนท์หรือก็ไม่เคยทักทายปราัยเป็นส่วนตัวเลยการได้เห็นคนอันเป็นเท่รักเป็นความสุขก็จริงแต่มันเล็กน้อยเกินไปเมื่อนำมาเทียบกับความทรมานในขณะที่ต้องจากอยู่โดดเดี่ยวและว้าเวกาสาวพัท เป็นกำแพงเหลืองมือหิอมาที่คอยกันมิให้ความรักเดินถึงกันถึงกระนั้นก็ยังมีภิกษุและภิกษุณีบางท่านกระโดดข้ามกำแพงนี้ล่วงละเมิดศิกษาบทวินัยของพระพุทธองค์จนได้นางคิดมาถึงเรื่องนี้แล้วเสียสันหลังวา่าเหมือนถูกก้อนหิมะอันเยือกเย็นโดยไม่รู้สึกตัวมาก่อนนางพยายามสะกดใจ มิให้คิดถึงพระอานน์พยายามท่องบนสาทยายพระธรรมวินยัยแต่ทุกขณะจิตที่วางลงดวงใจของนางก็จะคร่ำครวนรำพันถึงพระอานน์อีกนางรู้สึกปวดศรีรษะและวิงเวียนเพราะความคิดหมกมุ่นสับสนนี่เองกระมังที่พระอานน์พูดไว้แต่วันแรกที่พบกันว่าความรักเป็นความร้าย วันหนึ่งนางชวนเพื่อนภิกษุณีรูปหนึ่งไปหาพระอานนนพระอานน์เป็นผู้มีอัธยาศัยงามจึงต้อนรับนางด้วยเมตตาธรรมนางรู้สึกชุ่มชื่นขึ้นบ้างเหมือนข้าวกล้าที่จวนจะแห้งเกรียมเพราะขาดน้ำชุ่มชื่นขึ้นเพราะฝนผิดฤดูกาลลังลงมาแต่เมื่อนางจะลากลับนั่นเองพระอานนนพูดว่า น้องหญิงต่อไปเมื่อไม่มีธุระอะไรก็อย่ามาอีกถ้ามีความสงสัยเกี่ยวกับข้อธรรมวินัยอันใดก็ให้ถามเมื่ออาตมาไปสู่สำนักพิษุณีเพื่อให้โอวาดคืนนั้นนางนอนร้องไห้ตลอดคืนน้อยใจเสียใจและเจ็บใจตนเองพระอานน์หรือก็ช่างใจไม้ไส้ระกรรมเสียเต็มประดา จะเห็นแก่ความรักของเราบ้างก็ไม่มีเลยนางยิ่งคิดยิ่งช้ำและน้อยใจทิสุณีผู้พักอยู่ณที่ใกล้ได้ยินเสียงสะอื้นในยามดึกจึงลุกมาหาด้วยความเป็นห่วงถามนางว่าโกกีลามีเรื่องอะไรหรือเออไม่มีอะไรดอกสุมิตราก็ไเจ้าฝันร้ายไปรู้สึกตกใจมากจึงร้องไห้ออกมา ขอบใจมากที่ท่านเป็นห่วงข้าพระเจ้านางตอบฝืนสีหน้าให้ชุ่มชื่นขึ้นพระาศาสดาสอนเราว่าให้เจริญเมตตาแล้วจะไม่ฝันร้ายท่านเจริญเมตตาหรือเปล่าก่อนนอนนะพิสุณีสุมิตราถามอย่างกันเองอืมเมื่อเจริญเมตตาแล้วจะไม่ฝันร้ายอย่างนั้นหรือใช่ ก่อนนอนคืนนี้ข้าพเจ้าลืมไปท่านกลับไปนอนเถิดข้าพเจ้าขออาภัยด้วยที่ร้องไห้ดังไปจนท่านตื่นเมือ่อภิกษุณีสุมิตรากลับไปแล้วภิกษุณีโกกีลาก็คิดถึงชีวิตของตัวชีวิตของนางเต็มไปด้วยความเป็นทาตเมื่อก่อนบวชก็เป็นทาตทางกายพบปลีกจากทาตทางกายมาได้ก็มาตกเป็นทาตทางใจเข้าอีก